วันอาทิตย์ที่12พฤศจิกายน2538เป็นการบรรยายพระสูตรในสังยุตตะนิกก่เรื่องปฏิจจสมบุกบาทโดยอาจารย์ชุติเทพโพธิศัทดาท่านสาธุชนที่เคารพพระสูตรวันนี้มีชื่อว่าอุปวานาสูตรอุปวานะเป็นชื่อของพระเถระรูปหนึ่งในพระพุทธศาสนาพระเถระรูปนี้เราพบว่าเมื่อครั้งที่พระผู้มีพระภาคเสด็จเตรียมเพื่อที่จะ ดับกันท่าปเรณิผ่านนั้นพระผู้มีพระภาคได้ทรงไล่พระอุปวา t a n ให้ออกไปจากาเรียกว่าน่าพระพักด้วยเหตุผลว่ามาบังเทวดาึคืไม่ยืนบังเทวดาที่มาเฝ้าพระผู้มีพระภาคในตอนนั้นพระอุปวา t a n นั้นในชั้นที่สุดก็ได้เป็นพระอาหารหันต์องค์หนึ่งในพระพุทธศาสนาด้วยเหมือนกันความในสูตรนี้เราจะอ่านตลอดทั้งหมด เพื่อให้เป็นเข้าและจะอธิบายด้วยเอกสารประกอบที่กล่าวชี้แจงเป็นทางลึกที่ปรากฏในที่อื่นพระผู้มีพระภาคประทับณพระเชตวันอารามของท่านอนาถปิณติกาเสถียรกรุงสาวัตถีครั้งนั้นแลท่านพระอุปวานะได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งหน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่ง กลั้นั่งเรียบร้อยแล้วท่านอุปวานะได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่ากาแต่พระองค์ผู้เจริญมีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งย่อมบัญญัติว่าทุกตนทําเองมีสมณพราหม์พวกหนึ่งย่อมบัญญัติว่าทุกผู้อื่นทําให้มีสมณะพรามพวกหนึ่งย่อมบัญญัติว่าสุขทุกตนทําเองด้วยผู้อื่นทําให้ด้วยมีสมณพราม์พวกหนึ่งย่อมบัญญัติว่าทุกเกิดขึ้นเพราะปัต เพราะอาศัยการที่มิใช่ตนเองกระทามิใช่ผู้อื่นกระทำให้แต่พระองค์ผู้จเจริญในวาทะทั้งสนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้อย่างไรตรัสบอกไว้อย่างไรข่าพระองค์พยากรณ์อย่างไรจึงจะชื่อว่าเป็นผู้กล่าวตามที่พระผู้มีพระภาคตรัสแล้วจะไม่กล่าวตู่พระผู้มีพระภาคด้วยคำไม่จริง และจากปยากรทรรมสมควรแกรรร่ทมทั้งการคล้อยตามวาทะที่ถูกไรๆจะไม่พึงถึงฐานะอัน ว, วินยูชนจะตีเตียนได้ข้อความนี้นะเรามีความรู้สึกชื่นชมชมเชยท่านอุปวานนะหรือแม้แต่พวกอัญยาเดลถีนะฮะที่ตั้งปัญหาถามแล้วก็ เมื่อถามพระผู้มีพระภาคหรือถามสาวกของพระผู้มีพระภาคว่าเกี่ยวกับประเด็นเรื่องนี้พระพุทธเจ้าสอนอย่างไรจะเข้าใจอย่างไรหรือจะชี้แจงแก่ผู้อื่นอย่างไรที่จะไม่เป็นการกล่าวตู่แสดงว่าท่านเหล่านี้แม้พวกปริพาโชคายนอกก็มีความรับผิดชอบต่อความเห็นของพระพุทธเจ้าพูดง่ายๆว่าเป็นคนที่รับผิดชอบต่อข้อเท็จจริง มีลักษณะความซื่อตรงซื่อสัตย์ต่อข้อมูลเป็นอย่างยิ่งอันนี้ถือเป็นเรื่องสำคัญนะและถ้าเราเป็นนักการศึกษาทางศาสนาเนี่ยเราจะมีความรู้สึกสลดใจอย่างยิ่งหรือเสียใจอย่างลักษณะของคนบางคนที่ไม่ไม่เคร่งครัดในข้อมูลนะไม่เคร่งครัดแล้วบางคนเนี่ยไอ้ไม่เคร่งครัดยังค่อยอยางชั่วคือดูเบาหละหลวมเนะี่ยอันหนึ่ง หรือไม่สามารถที่จะแสวงหาข้อมูลได้เท่าที่ควรก็ดีถ้าเป็นกรณีของการมีเจตนาบิดพลิ้วข้อมูลเนี่ย<ม>เรื่องนี้นะเป็นเรื่องที่น่าน่าสะพึงกลัวอย่างยิ่งและไม่น่าคบอย่างยิ่งคนประเภทนี้ในเชิงของการเผยแพร่ทางศาสนาเนี่ยนะเพราะบางคนเนี่ยเราจับได้ว่ามีเจตนาจะบิดพลิ้วอย่างน่าเกลียดซึ่ง หมายความว่าอย่างไงหมายความว่าในความรู้สึกของของอคนอย่างนี้เนี่ยไม่เคารพพระพุทธเจ้าจริงๆนะอาจจะมีความเห็นแก่ความคิดของตัวในสายของตัวอะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งผมก็มีความรู้สึกอย่างนี้ว่าไม่น่าไว้ใจในทางข้อมูลนะถ้าคนมีลักษณะอย่างนี้แต่ว่าสมัยพุทธกาลเนี่ยพระสง ส่วนใหญ่เกือบจะท้งนั้นและแม้แต่นักปราดภายนอกทางศาสนาเมื่อจะพูดถึงทัศนะของพระพุทธเจ้าเนี่ยจะมีความระวัรมัดระวังเรื่องนี้เราก็ถือเอาเป็นกติเพื่อใช้แก่ตัวเราเองในส่วนนี้อย่างเคร่งครัดดูเมื่อถามอย่างนี้พระผู้มีระภาคได้ทรงตรัสตอบด้วยข้อความเหมือนอย่างในสูตรก่อนๆตรัสว่าดูกอนอุบวานนะ เรากล่าวทุกเป็นของอาศัยเหตุเกิดขึ้นทุกอาศัยอะไรเกิดขึ้นทุกอาศัยปัสสะเกิดขึ้นแม้ทุกของสมณะคราหม์ทั้งสี่วาระก็รวนแล้วแต่อาศัยปัสสาะเกิดขึ้นเพราะทุกนั้นเป็นเวทนาแล้วก็ตรัสว่าถ้าหากว่าไม่มีเวทนาเว้นปัสสาะเสีย คือไม่มีพัรษะเป็นพัรษาเสียทุกเวทนาก็เกิดไม่ได้อันนี้เป็นเหตุแน่นแ น, น่เป็นเหตุใกล้ของทุกเวทนาเหล่านั้นทั้งสี่พวกอันนี้ก็เป็นเนื้อความในประสูนต์ที่เราอ่านเป็นเครื่องนําทางพอผ่านไปแลแ้วไม่อธิบายความในนั้นเรามาดูเนื้อความที่นํามาประกอบ คือในพระไตรปิฎกเล่มที่สามสิบเจ็ดที่มีชื่อว่าคำพีกระถาวัตถุมีความหนาประมาณลิมๆิมพันหน้าเนี่ยนะเรื่องแรกของกระถาวัตถุสองร้อยสิบเก้าเรื่องอท่านตั้งชื่อว่าปุคละกะถาแปลว่าเรื่องคนนี่ผมอธิบายที่มาที่ไปของเอกสารประกอบนิดหนึ่งปุคะละกถาแปลว่าเรื่องบุคคลและคำว่าบุคคล ที่ชี้แจงกันประมาณร้อยหน้ากระดาษพอดีเนี่ยท่านหมายถึงเรื่องอัตเรื่องอัดตาเรื่องอนัตตาคือบุคคลที่ใช้กันอย่างในสมัยพุทธกาลเนี่ยหมายถึงอัตตาตัวตนบางทีก็ใช้คำว่าปุริสะคือบุรุษบ้างโดยใช้คำว่าสัตตะที่เราเรียกว่าสัตนี่แหละ ไม่ใช่สัตว์โดยสมมติไม่ใช่บุรุษโดยสมมติไม่ใช่บุคคลโดยสมมติเป็นชื่อของอัตราตัวตนเพราะฉะนั้นปุคคลัทธาจึงหมายถึงการที่คถ า, าวัตถุได้พยายามอธิบายหักล้างความมีอยู่จริงของบุคคลคืออัตรานั่นเองด้วยเหตุผลประการต่งางๆว่าบุคคลไม่มีด้วยเหตุผลอะไรก็อธิบายในเหตุผลด้วยพุทธพจน์มาประกอบกันอย่าง ชัดเจนดีมากท่านได้ทำเป็นวาระวาระอภิปลายถึงสิบสามวาระแล้วก็มีอยู่วาระหนึ่งท่านเรียกว่ากัลยาณวะหรือปุริสะปุริสะการานุโยกเนี่ยนะเรียกสองอย่างเป็นเป็นวาระหนึ่งในสิบสามวาระเหล่านั้นแล้วก็ในวาระที่ชื่อว่าปุริสะการานุโยกนั้น เป็นวาระที่อภิปลายในประเด็นทานองเดียวกับพระสูตรที่เรากาลังพูดติดต่อกันในหลายๆสูตรผมจึงได้คัดวาระนี้มาเพื่ออธิบายประกอบสูตรดูเอกสารประกอบอุปวานาสูตรเรื่องปุริสการานุโยกปุริสะนั้นคืออัตตาตามความหมายของมิชาธิติตาระก็คือการกระทากรรม น ะ, ะอนุโยกก็คือการดำเนินเนื้อความหมายถึงการประการจัดบทการจัดบทจัดวาระของการกล่าวถึงเรื่องบุคคลหรือเรื่องอัตตาตถ้าถามว่าผู้ที่เข้าใจว่ามีอัตตาตัวตนเนี่ยมีแต่เฉพาะ คนนอกพระพุทธศาสนาเท่านั้นหรือถ้าถามว่าพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่ามีอัตตาตัวตนจริงหรือไม่จริงไม่จริงจริง จ, งจงแล้วเป็นอนัตตาอนัตตาเนี่ยเป็นป ร, รมิสภาวะคือไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงถ้าใครสำคัญว่ามีตัวตนที่แท้จริงเนี่ยถือเป็นเรื่องไม่ใช่ของพระพุทธศาสนาอันนี้โดยหลักแต่ โดยตัวบุคคลที่เป็นชาวพุทธแล้วตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้ายังทรงมีพระชนอยู่เลยมาจนถึงสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชมีการเข้าใจผิดไปจากอธิบายดั้งเดิมของพุทธเจ้าคือสำคัญว่ามีอัตตาตัวตนเป็นผู้ทำกรรม เป็นผู้ทำโน่นทำนี่เป็นผู้สเสวยผลของความสำเร็จเป็นผู้บรรลุมรรคผลเป็นผู้เข้าไปสู่นิพพานเกิดเข้าใจกันอย่างนี้มีมาเก่าแล้วจึงไม่ใช่เรื่องแปลกแล้วครับที่สมัยนี้จะมีความเข้าใจของคนพุทธเนี่ยอธิบายธรรมะเข้าใจธรรมะไปซ้ำรอยกับ พระบางองค์ที่เป็นพราหมณ์มาก่อนในสมัยพรพุทธกาลและในสมัยยุคต้นหลังพุทธกาลว่ามีอันตาตัวตนและอธิบายด้วยประการต่างๆกันถึงเกิดการเป็นว่า <c oughs> ทั้งนักปฏิบัติก็เข้าใจอย่างนี้ก็มีเพราะว่าพวกพระณ์สมัยก่อนเข้าใจมีตัวตนเนี่ยก็เกิดขึ้นจากการปฏิบัติเหมือนกันพราปฏิบัติในลักษณะย้งก็ไปไปตีความสภาวะที่เห็นเป็นตัวเป็นตน ตัพพุเจ้าปฏิบัติสูงกว่ายืนยันวันนั่นไม่ใช่ตนนะแล้วก็ในทางปริยัตนะิก็เข้าใจว่ามีตัวตนตั้งแต่อสมัยพระอย่างเช่นพระทันอริธาอย่างนี้เป็นต้นนะฮะหรือพระยะมกเนะี่ยก็เข้าใจว่ามีตัวตนอย่างในสมัยประการจากพื้นฐานทางทฤษฎีทางกิเลสคือสักกยะทิฏฐิอัตตานุทิติของคนเนี่ย มันก็เป็นประโยชน์แก่การที่จะทำให้ตีความพุทธพจน์เป็นเรื่องอัตตาตัวตนไปเลยเกิดความเข้าใจผิดในหมู่ของชาวพุทธว่ามีตัวตนเป็นแบบคตินอกพุทธศาสนาไปในที่สุดได้ทีนี้ความต่างระหว่างความเข้าใจคนพุทธเกี่ยวกับเรื่องตัวตนกับคนนอกพุทธเกี่ยวเรื่องตัวตนเนี่ยต่างกันอย่างนี้ครับต่างกันอย่างนี้ คือในคำพีกระถาวัตถุ ก, ก็ดีหรือ อ, อชาวพุทธที่เข้าใจว่ามีตัวตนเนี่ยถึงจะเข้าใจว่ามีตัวตนแต่ไม่เข้าใจอยู่อย่างหนึ่งเหมือนคนนอกศาสนาก็คืออัตตาหรือตัวตนนั้นมีอยู่สองอย่างอย่างหนึ่งเรียกว่าปรมาตตมันคือ ปรมัตตานั่นเองนะปรมัตตาหรือปรมัตตาปรมัตตาแปลว่าอัตตาที่ใหญ่ยิ่งอัตตาคือพระเจ้าชีวัตาหรือชีวตาตมันอาตมันนี่เป็นภาษาสังกฤตภาษาบาลีเรียกว่าอัตตา มีเป็นสองอย่างเนีปรมาตตามันจึงหมายถึงพระเจ้าชีว่าตามันหมายถึงสัตว์เหล่าสัตว์อัตตามีสองสองหนัพวกนอกพุทธศาสนาเนี่ยแบ่งเป็นสองพวกพวกหนึ่งยอมรับว่ามีปรมา ต, ตามันด้วยและชีว่าตามันด้วยคือถือว่าพระเจ้ามีและผู้ที่พระเจ้าสร้าง มีเป็นตัวเป็นตนทั้งคู่ตั้งแต่ก่อนพุทธกาลดึกดำบรรมาจนถึงเดี๋ยวนี้ศาสนาฝ่ายเทวานิยมเนี่ยถือว่ามีตนทั้งนั้นถึงเดี๋ยวนี้ก็เถอะศาสนาใหญ่ๆเป็นอย่างนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ทีนี้พวกนอกพุทธศาสนาอีกพวกหนึ่งอย่างพวกนิครนตบุตรหรือพวกนักปรานักพิษอีกเป็นจำนวนมากที่ปฏิเสธพระเจ้า ที่ในสมัยก่อนเรียกว่าเป็นพวกสมณะไม่รับรองฐานะของศาสนาปราหมถือว่ามีอาตามันชนิดเดียวคืออีวาตามันอัตตาของแต่ละคนแต่ละคนแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยทุกคนมีอัตตาอยู่ในตัวมีอยู่เท่านี้เท่านั้นไม่มีใครสร้างไม่มีอาตามันที่เป็นผู้บงการอาตัตตา อาตามันเล็กไม่มีอาตามันใหญ่บงการอาตามันเล็กไม่มีอาตามันใหญ่สร้างอาตามันเล็กไม่มีอ า, อาตามันใหญ่ลิขิตอาตามันเล็กทําให้เป็นอย่างนู้นอย่างนี้เนี่ครับเป็นเป็นพวกนอกศาสนามีสองพวกคราวนี้พอพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นปฏิเสธหมดปฏิเสธว่าไม่มีอาตามันจริง แต่ก็ยอมรับว่าที่เขานับถือว่าพระพรหมพระเป็นเจ้าน่มีแต่ไม่ได้มีความศักดิ์สิทธิ์ใหญ่โต โ, มโหมดรานอย่างนั้นไม่ได้มีอัตมาด้วยไม่ได้บังคับอะไรตามใจชอบใดด้วยเป็นแต่ปัจจัยได้กระแสหนึง่งสัตว์ทุกเหล่าทุกผู้ทุกนามก็ไม่ได้เป็นอาตมันสักคนเดียวเป็นอนัตตาเสมอเหมือนกันหมดแต่มีพระ ในสมัยพุทธกาลหลายรูปเนื่องจากว่าเป็นพรามมาก่อนแล้วก็พระหลังพุทธกาลถึงขนาดตั้งกันเป็นก๊กเป็นนิกายเป็นนักปฏิบัติบ้างนักคิดบ้างตีความธรรมะต้อนเข้าไปหาความเป็นมิจาทิฏฐิภายนอกคือถือว่ามีอัตตาแต่ว่าอัตตาของชาวพุทธเนี่ยได้ ได้แค่อันเดียวฮะผมก็ยังนึกไม่ออกเนี่ยว่าเดี๋ยวนี้มีาศาสนาพุทธที่นับถือว่ามีพระเจ้าสร้างโลกหรือเปล่านะมีไหมฮะาศาสนาพุทธนี่ไกไหนที่ถือว่ามีพระเจ้าสร้างโลกไม่มีเพราะฉะนั้นในสมัยพระเจ้าอาโศกย้อนขึ้นไปถึงสมัยพระพุทธเจ้าเองเนี่ย พวกที่สําคัญว่ามีตนจัดแค่ไหนอย่างไรก็ตามแต่ไม่มีใครยอมรับว่ามีพระเจ้าสร้งโลกเลยแต่ยอมรับว่าตนมีนะมีพวกนี้มีมีมิมมใช่น้อยซึ่งเป็นเรื่องที่น่าอินใจเพราะว่าเรื่องอนัตตานั้นเข้าใจยากเพราะฉะนั้นพระโมคคิีบุธธรรตรติสาอรหันเถระเจ้าท่านจึงได้แต่งคำภีร์นี้เพื่อชี้แจง แกชาวพุทธ้ดยกันว่าพระพุทธเจ้านั้นไม่ยอมรับว่ามีบุคคลโดยความเป็นอัตตาเรื่องนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งของการชี้แจงว่าอัตตาไม่มีโดยประการทั้งปวงเราก็ดูบทถามตอบในนี้ก็มี ปัญหาที่ที่ถามตอบกันเนี่ยมีคำยอ่อวสกปอันนี้เป็นตัวละครนะผู้แต่งท่านสมมุติเป็นตัวละครขึ้นสองคนปอนั้นยอ่อมาจากประวาทีแปลว่าผู้มีวาทะภายนอกสกะวาทีแปลว่าผู้มีวาทะภายในหรือผู้มีผู้พูดตามวาทะของตน ตนของตนก็คือของพุทธความหมายไม่ตรงกับพร ะ, ะปราวาทีกสกาวาทีที่พระท่านเอามาสมมุติเรียกกันตอนเทศคู่นะว่าสมมติให้ท่านองค์นั้นเป็นปราวาทยาจาร์สมมติให้ท่านองค์นี้เป็นสกวาทยาจาร์สกวาทยาจาร์เป็นผู้ตอบปราวาทยาจาร์เป็นผู้ถาม เข้าใจกัน ใ, ในความหมายอย่างนั้นในวงการเทศแต่ในนี้ไม่ใช่อย่างนั้นบระคือพวกนอกพวกเข้าใจผิดสกาวาทีเข้าใจถูกทีนี้เวลาถามตอบเนี่ยท่านก็จะตั้งคําถามคำตอบเพื่อแยกผิดแยกถูกว่าเข้าใจแบบไหนผิดเข้าใจแบบไหนถูกปัญหาที่หนึ่งไฟ ประวาทีนะ่ะถามฝ่ายเราพระวาทีถามฝ่ายเราว่าท่านยังเห็นยังเห็นคือเข้าใจด้วยเห<อ>ตุผลโดยประการใดๆวิธีใดๆก็ตามจะเข้าใจในเชิงทฤษฎีเข้าใจในทางเพราะปฏิบัติหรือทั้งสองอย่างก็แล้วแต่เถอะ จึงถามว่าท่านอย่างเห็นคือเขาถามว่าเราในอย่างเห็นไว้ท่านอย่างเห็นกรรมดีกรรมชั่วหรืออย่างเห็นวิบากของกรรมดีกรรมชั่วหรืออย่างเห็นสุขอันเป็นทิพย์หรือสุขของมนุษย์หรือทุกข์ในอบายหรือทุกข์ในนรกหรือเราตอบว่าใช่พูดง่ายๆคือเขาถามว่า กรรมดีกรรมชั่วสุขทุกข์ผลของกรรมเลยมีจริงไหมเป็นปรมัติตไหมเป็นปรมัติ์หรือเป็นสมมติผลของกรรมเนี่ยเป็นสมมติหรือเป็นปรมาติตถามเราว่างั้นเราตอบว่าใช่คือเป็นปรมัติกรรมดีกรรมชั่วมีจริงไหมครับเป็นปรมัจจริงไหม เป็นเจตนาฆ่าสัตว์เนี่ยมีจริงๆริงไหมเจตนาเจตสิกตัวนี้เราจะเชื่อไม่เชื่อมันก็มีและผลของการฆ่าสัตว์มีจริงๆเวลาตะเวทวิบากของการฆ่าสัตว์ก็เสวยจริงๆไม่ใช่สมมุติว่าเสวยหรือตะเวทสมมุติอย่างเล่นละครที่เ ก, กน นี้เป็นคำถามว่ากรรมกับผลของกรรมมีจริงโดยความเป็นปรมาจา์หรือไม่ส่วนคำว่าสุขทุกข์ที่กล่าวในข้อหลังๆเนี่ยเป็นการกระจายวิบากวิบากเนี่ยมีสองเลยครับกุศลวิบากเป็นชื่อของความสุขอกุศลใบากเป็นชื่อของความทุกข์ก็เลยถามเป็นเชิงไล่รายละเอียดนิดหนึ่งในส่วนเกี่ยวกับวิบาก ว่าสุขอันเป็นทิพย์คือของเทวดาสุขในเทวโลกแล้วก็สุขของมนุษย์ก็คือกุศลนิบากของมนุษย์แล้วก็ทุกข์ในอบายก็คืออกุศลนิบากในอบายทุกข์ในนรกก็คืออกุศลนิบากในนรกเนี่ยล้วนแล้วแต่มีจริงสัตว์นรกเสวยทุกข์อย่างไรทุกขเวทนานั้นมีจริงเกิดจาก<ๆ>อกุศลกรรมเก่าจริงๆเพราะฉะนั้นที่เราตอบว่าใช่ ก็คือบอกว่ากรรมและผลของกรรมนะมีจริงโดยความเป็นปรามัตินี่ถือเป็นคำตอบที่ถูกต้องประวาทีเขาก็ถามเราอีกทีหนึ่งข้อสองว่าท่านยังเห็นคือท่านเข้าใจว่าเห็นว่ายอมรับว่านั่นแหละผู้ทา ผู้สร้างกรรมดีกรรมชั่วหรืออันนี้ความหมายง่ายก็คือท่านเห็นว่าคนสร้างกรรมดีกรรมชั่วเนี่ยมีจริงไหมและท่านเห็นว่าผู้สเสวยวิบากของกรรมดีกรรมชั่วมีจริงไปด้วยหรือเปล่าท่านเห็นผู้สเสวยสุขอันเป็นที่สุขอันเป็นของมนุษย์ทุกในอบายทุกในนรกเนี่ยมีจริงโดยปรมาทต์หรือไม่อันนี้ก็ พูดง่ายๆก็คือว่าเขาถามเราในข้อแรกถึงกรรมและผลของกรรมเนี่ยเราตอบไปแล้วว่ามีจริงจริงเป็นปรมัติตจริงๆทีนี้ไอ้กรรมกับผลของกรรมเนี่ยใครเป็นผู้ทําใครเป็นผู้สยมันก็เกี่ยวข้องกับกับตัวเราใช่ไหมศาสตร์ใดฉันในภูมิไหนก็ได้ก็อยากจะถามว่าคนแล้วคนที่ทํากรรมเนี่ยมีไหม คนที่เสวยผลของกรรมเนี่ยมีจริงโดยความเป็นปรมาจารย์มาถ้าถ้ายอมรับว่าผู้ทํากรรมผู้เสวยผลของกรรมมีจริงโดยความเป็นปรมัจา์เนี่ยก็เท่ากับยอมรับว่ามีอัตตายืนหยัดเป็นผู้สร้างกรรมอัตตายืนหยัดเป็นผู้รับผลของกรรมนั่นเองเอา้าวล้วตอบว่ามีไม่มีไม่มีเอ๊ะไม่ ม, ม, มีแล้วกรรมมันให้ผลถูกได้ไงใช่มะ ใครเป็นเป็นเจ้าของกรรมเป็นเจ้าของลิขศเส์กรรมแล้วทํากรรมไปแล้วกรรมมันมาให้ผลถูกใครละ่ะถ้าจะตอบว่าไม่มีอะไม่มีจริงอ่ะันนี้อันนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายนะไม่ยากนั้นที่ที่เราปฏิเสธเนี่ยว่าไม่ใช่สกาววัติปฏิเสธว่าไม่ใช่คือบอกว่าไม่มีบุคคลไม่มีอัตตาเป็นผู้ทํากรรมเป็นผู้เสวยผลของกรรมนี่ผมก็จะขยายความละ่ะ ไอ้ตรงนี้แหละครับที่พวกอัตตาทิฏฐิเขาห่วงกันนักแล้วก็ใช้เป็นเหตุผลนะว่าถ้าไม่มีผู้ทำกรรมไม่มีผู้สเสวยผลของกรรมแล้วกรรมจะไปนสนองใครอธิบายอย่างนี้ครับนี่ผมผมให้ท่านึกถึงสภาวะนะว่าตั้งก้าหัวจดเท้าเราเนี่ยมีแต่จิตเจตสิกรูปนามตั้งก้าหัวจดเท้าใช่ไหมฮะไม่มีตัวตนสิงแขวงอยู่เลยนะ มีแต่สภาวะรูปสภาวะนามลักษณะรูปลักษณะนามทั้งนั้นทีนี้ไอ้ตังกหัวจดเท้าเราเนี่ยถามว่ามันเป็นปัจจัยแก่กันและกันด้วยใช่หรือไม่ตัวเรานี่แหละมีสภาวะธรรมจริงๆอยู่หลายอย่างที่เป็นประมัติสภาวะธรรมเหล่านี้เป็นปัจจัยซึ่งกันและกันในหลายรูปของปัจจัย เช่นเป็นปัจจัยในลักษณะปัจจุบันทันด่วนก็มีแต่มันมีความเป็นเหตุเป็นปัจจัยอันหนึ่งก็คือว่าความเป็นปัจจัยในรูปที่เรียกว่ากรรมเช่นเมื่อเราเกิดเจตานาร้ายขึ้นมาเนี่ยเป็นอกุศลกรรมใช่ไหมเจตานาร้ายที่เกิดขึ้นมาเนี่ยใครเป็นคนสร้างต้องมีคนอีกคนมาคอยสร้างไหมคอยระวังคอยรับผิดชอบไหม มันเกิดตามเหตุตามปัจจัยภายนอกบ้างภายในบ้างใช่ไหมฮะจึงเกิดเจตนาร้ายนี่เจตนาร้ายเมื่อเกิดแล้วดับไปดับไปสิ้นซากไม่มีอะไรเหลือโดยประการทั้งปวงหรือมีอำนาจมีพลังอะไรบางอย่างเหลือมีอะไรบางอย่างเหลือที่เหลือเนี่ยใครเป็นคนเก็บรักษาดูแลป้องกัน จีดยากันเน่าไม่มีใช่ไหมมันเหลือตามธรรมดาของมันเองเหมือนกับไอ้พืชผักผลไม้อะไรที่มันมีอำนาจมีอะไรมันก็อยู่มันยงไงใช่ไมไอ้ระเบิดที่เข้าไปทิ้งหลกตกอยู่กลางทะเลตามตุ่งนามันก็อยู่ใครไม่ต้องไปรักษามแต่มันมีพลังที่จะทำลายของมันอยู่ในนั้นเจตนาของเราเมื่อดับแล้ว มันมีพลังเมื่อกระทบเหตุกระทบปัจจัยนะฮะไอเหตุปัจจัยเราก็ไม่ต้องอธิบายเรานึกภาพกว้างๆได้ถึงเวลากระทบเหตุกระทบปัจจัยมันก็ระเบิดออกมาทำให้เกิดผลลายหรือผลดีถ้าเป็นเจตนาดีเกิดขึ้นมีผลแก่ที่ไหนแก่ตัวเราแก่นามลูก ตอนหลังๆเราจะไม่เอาได้ไหมไม่ได้เราจะเอาให้มากกว่าทุนได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นอันนี้คือธรรมชาติที่มันหมุนเวียนของมันไปในรูปของความเป็นเหตุเป็นผลในเอกภพเนี่ยไม่มีอะไรอื่นมีแต่เหตุกับผลทั้งนั้นต่างกันว่าเหตุผลในรูปใดเพราะลักษณะของ ของเหตุผลมีหลายรูปแบบอย่างปัจจัยยี่สิบสี่กรรมนี่เป็นรูปแบบหนึ่งโดยไม่มีเจ้าใครเป็นเจ้าของถ้ามีใครทำมีใครเป็นเจ้าของมันก็บงการได้ตามใจชอบถูกไหมแต่นี่มันไม่มีไอความรู้สึกว่ามีเป็นเจ้ามีเป็นเจ้าข้าวเจ้าของเนี่ยจริงๆแล้วมันคือใครผมถามว่าความรู้สึกว่าเป็นตนเนี่ยเป็นตนจริงๆหรือเปล่า เรามีความรู้สึกว่าเป็นตนอยู่ทุกคนใช่ไหมตามภาษาพุทธชนเราความรู้สึกนี้นะ่ะมันจริงๆแล้วมันเป็นตนจริงๆหรือมันไม่ใช่ตนมันเป็นแต่สภาวธรรมชนิดหนึ่งเป็นแต่สภาวธรรมชนิดหนึ่งเท่านั้นเองเกิดขึ้นตั้งอยู่น่ะไปมันจะไปเที่ยวบังคับบัญชาอะไรตามใจชอบไม่ได้เพราะนั้นมันไม่มีแล้วครับมันไม่มีตัวตน อย่างที่ว่ากันเป็นเป็นแต่สภาวะธรรมที่มันรู้สึกเป็นแบบคนวิกลจริตชนิดหนึ่งเท่านั้นเองเพราะเหตุนั้นกรรมมีจริงผลของกรรมมีจริงคนที่สามไม่มีที่จะมาเป็นผู้สั่งให้ทํากรรมเสวยผลกรรมมันก็คือนามรูปเป็นปัจจัยแก่นามรูปวกเวียนกันอยู่ในนี้ในรูปแบบของปัจจัยต่างๆเท่านั้น ไม่มีตนเลยเนี่ยมาดูคำถามที่สามเราจะเป็นฝ่ายถามบระวาทีจะเป็นฝ่ายถามเขานะอ่าที่เราถามเขาเนี่ยทำให้เราเห็นเหตุผลของเขาเลยทีเดียวแล้วครับว่าทำไมเขาถึงคิดว่าอัตตามีเราถามว่าเพราะอย่างเห็นกรรมดีกรรมชั่วฉะนั้นจึงอย่างเห็นผู้สร้างกรรมดีกรรมชั่วหรือ เพราะยางเห็นวิบาคของกรรมดีกรรมชั่วฉะนั้นจึงยังเห็นผู้เสวยวิบาคของกรรมดีกรรมชั่วหรือเพราะอย่างเห็นสุขอันเป็นทิพสุขของมนุษย์ทุกในอบายทุกในนรกฉะนั้ usted, <stigma S 1> นจะึงยังเห็นผู้เสวยทุกที่มีในนรกหรือเขาบอกว่าใช่อันนี้เขาเรียกว่าเป็นการให้เหตุผลคือเหตุผลเขาพูดไปลูกเหง่ายๆคือเขาบอกว่าเพราะกรรมดีกรรมชั่วมีนั่นแหละ อัตตาจึงต้องมีอัตตาที่ทำกรรมดีกรรมชั่วแล ะ, สะเสวยผลของกรรมดีกรรมชั่วจึงต้องมีถ้าจะไม่ให้อัตตามีกรรมดีกรรมชั่วก็มีไม่ได้การสเสวยผลของกรรมดีกรรมชั่วก็มีไม่ได้ถ้าตาไม่มีนะฟังดูมันเป็นเหตุเป็นผลใช่ไหมฮแต่ไอลักษณะของคําพูดเหตุผลเนี่ยอย่างนี้นะมันไม่ใช่ว่าจะต้องเป็นเรื่องสมเหตุสมผลหรือเป็นเรื่องที่ถูกต้อง เพราะว่ากรรมดีกรรมชั่วมีได้แต่ผู้สร้างกรรมดีกรรมชั่วไม่จำเป็นต้องมีก็ได้นิพพานมีได้ผู้สร้างนิพพาก็ไม่จาเป็นต้องมีถูกไมไม่จำเป็นต้องมีเหตุผลนี้คำพูดในรูปเหตุผลอย่างนี้จึงเป็นเรื่องที่ใช้ไม่ได้แต่เขาตอบว่าใช่นะ่ะเขาตอบตามรูปเหตุผลที่เขาคิดว่ามันควรจะเป็น เหมือนอย่างในปรัชญายอินเดียเขาพูดกันมากนะว่าถ้าไม่มีตัวตนเราเรียนหนังสือแล้วทําไมเราไม่ลืมแล้วแล้วมันไม่ลืมจริงๆแล้วมันลืมได้จริงๆมันลืมได้ไอทําไมไม่ลืมคุณทําไมจะต้องไปอธิบายต้องมีอัตมาเป็นผู้จำํำล่ะเห็นมะมันไม่ลืมเพราะอย่างอื่นก็ได้เนั้นในอินเดียเนี่ยเขาถึงเถียงว่าบางทีเอาความจําเป็นตนไปซะเลย ไอ้มงพวอก็บอกมีอัตตาเป็นผู้จำแต่ความจำไม่ใช่เป็นตนความจำเป็นของต น, นอะไรทำนองอย่างนี้เ ล, เลยเทียงกันไม่จบดันั้นที่ปราทวีกล่าวอย่างนี้จึงกล่าวในรูปเหตุผลคือบอกว่าเพราะกรรมประวิบากมีจริงโดยความเป็นปรมาจาผู้รับวิบากของกรรมแล้วก็ผู้ทำกรรมด้ดยจะต้องเป็นปรมานีรยนี่ไม่ถูกครับ ปิดจะไปดูต่อไปเราถามในข้อสี่ท่านยังเห็นผู้ทาผู้สร้างบุคคลผู้ทากรรมนั้นหรือท่านยังเห็นผู้เสวยบุคคลผู้เสวยวิบากนั้นหรือท่านยังเห็นผู้เสวยบุคคลผู้เสวยสุขอันเป็นทิพย์สุขของมนุษย์ ทุกในอบายทุกในนรกหรือผมอ่านคำตอบไปก่อนพระวาทีตอบสองแบบแบบแรกตอบปฏิเสธว่าไม่ใช่อย่างที่สองตอบว่าใช่นะผมอธิบายความหมายของคำถามก่อนอ่านคำถามแล้วพอเข้าใจไหมฮะบอกนี่เรากำลังจะถามแบบเพิ่มอาัตราให้อีกอัน เอาละถ้าคุณจะเข้าใจว่ามีอัตตาผู้ทำผมแถมให้อัตตาอีกคนอีกอีกอีอัตตาหนึ่งปรารภทีไม่รับตอบทีแรกนะไม่รับอัตตาที่สองอันนี้นะถ้าไปถามพวกนอกาศาสนาฝ่ายเด ว, วานิยมเขารับไหมรับเพราะเขาถือว่ามีพระเจ้าผู้ผู้ลิขิตตำนองลิขิตเนี่ยเออเราต้องมาฆ่าพ่อฆ่าแม่เนะ พ, พ, พ, พราะพระพรหมลิขิตนะเราต้องมา ทำกรรมอย่างโง่อย่างนี้นะเพราะพระพรหมฤทธิ์สั่งให้เราทําแล้วเวลาเราสเสวยพี่ปากเนี่ยแจ๊คยุ่งเหมือนกันนะพระพรหมไม่เอาด้วยเวลาสั่งให้เราค่าพ่อค่าแม่ตกนรกเอาเวจีแล้วพระพรหมไม่ยอมไม่ยอมตกด้วยไม่เกี่ยวด้วยไม่ยอมเป็นทุกข์ด้วยเออมันก็เลยฟังดูไม่สอดคล้องไปทั้งหมดเนี่ยถ้าจะทําความดีความสําเร็จพระพรหมอาจจะเอาผลดีด้วยก้อนั้นอาจจะเป็นได้ จะอะไรฟังดูกลายเป็นเรื่องตลกชวนโขกขันของบัณฑิตไปนั้นปราวาทีตอบทีแรกเนี่ยถูกเพราะปฏิเสธว่าไม่มีปรามาตมันก็ดีหรือไม่มีชีวาตมันอื่นคือไม่มีตนที่สองเมื่อมีตนผู้ทำกรรมผู้เสเวยเนี่ยตนเนี่ยตรงนี้ อ่าพราวัตีเขายอมรับว่ามีตนตนผู้ทําตนผู้เสวยแต่ไม่มีตนเล็กที่สองหรือไม่มีตนใหญ่เป็นตนที่สองมาเป็นผู้สั่งผูกกระตุ้นให้ทําปฏิเสธครั้งแรกถูกหรือว่าอันนี้นะ่ะผู้แต่งก็กำลังจะบอกเราว่าคําพูดอย่างนี้คําถามอย่างนี้แยกแยะตอบตอบอย่างกรณีแรกอย่างนี้ถูกแล้วปฏิเสธนะถูกแล้ว ด้วยหมายความอย่างนี้อีนี้ถ้าตอบอีกอย่างหนึ่งคือตอบรับอีกอย่างหนึ่งเนี่ยมันมีผิดมีถูกอ่ะผมอ่านอเนื้อความที่วงเล็บเนื้อความนี้เป็นเนื้อความคัดจดกากอรตะกตาพ่อแม่ย่อมให้บุตรเกิดตั้งชื่อเลี้ยงดูนะครูอาจารย์ให้การอบรมสั่งสอนอย่างนี้นะ่ะประวั อ่าเป็นเหตุผลที่เราพูดท่านน้องว่าเอ๊แล้วอย่างเราเนี่ยไปทำความดีและความชั่วนะเพราะคนอื่นบังคับเนาะมีไหมคนอื่นหวานล้อมชักจูงเนาะมีไหมอสังขาริกสังาการิะมีใช่ไหมกรณีอย่างนี้นะ่ะจะชื่อจะกล่าวได้ไหมว่า นายกอสั่งให้นายขอฆ่าคนตายบังคับให้ฆ่าคนตายจ้างให้ฆ่าคนตายนายกอเป็นอัตาผู้ทำกรรมนายขอเป็นอัตาผู้ทำกรรมนายกอเป็นอัตาที่สั่งหรือสร้างถ้าเป็นพระเจ้าเลยก็เป็นผู้สร้างสร้างด้วยสั่งด้วยสร้างด้วยลิขิตด้วยลิขิตทั้งสร้างชีวิตทั้งขีดเส้นทางให้ทำอะไรไม่ทำอะไรตจำลองนี้อย่างนี้น่ะพูดได้ไหมว่า ในขอเนี่ยเป็นอัตตาทรรมในกอเป็นอัตตาสั่งเป็นอัตตานหทั้งคู่นี่ไม่เป็นใช่ไม้มไม่ใช่อัตตาทั้งคู่คนทากับคนสั่งให้ทาเนี่ยต่างคนต่างสาเร็จกรรมของตัวในฐานะอย่างของตัวเข้าใจัหมคนทาเพราะถูกสั่งก็ได้กรรมอย่างนั้น คือกรรมอย่างนั้นหมายว่าทํากรรมอย่างมีคนอื่นเป็นปัจจัยเป็นเครื่องกระตุ้นคนสั่งให้ทําก็ได้สร้างกรรมอย่างชนิดที่ไม่ได้กระตุ้นสั่งให้คนอื่นทํามันก็เป็นแต่เป็นเหตุปัจจัยเท่านั้นถ้าลองมันเป็นอาตาสั่งก็ได้ตามใจชอบก็เดีวเกิดวันนั้นในกอแกเกิดไปโดนรถชนขาหักแขนหักมาแล้วสั่งให้ไปฆ่าคนอื่นตายไม่ขอไปฆ่าคนอื่นได้ไหมล่ะไม่ได้ หรือเกินให้ค่าจ้างน้อยไปหรือไม่ให้ค่าจ้างแกก็อาจจะไม่ไม่ตามก็ได้หรือไปทําแล้วก็ไม่ใช่จะต้องทําสําเร็จมันมีอ้เหตุปัจจัยอย่างอื่นเป็นตัวแปรก็แปลว่าไอ้คนสั่งเนี่ยเป็นแต่เหตุปัจจัยอันหนึ่งที่ไม่ใช่ตัวตนเท่าๆ่ากับเหตุปัจจัยประกอบอย่างอื่นนั่นแหละเป็นเหตุปัจจัยหน่วยหนึ่งเท่านั้นเองไม่ใช่อัตตาตัวตนนี่เขาเรียกว่าพูดอย่างเป็นสภาวะเนี่ย พ่อแม่เลี้ยงลูกสอนลูกครูบาอาจารย์ก็เหมือนกันก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยอย่างหนึง่งไม่ใช่เป็นอัตตามาเที่ยวสร้างอะไรกันตามใจชอบดังนั้นในกรณีที่แบ่งรับแบ่งสู้ไว้สำหรับคำตอบอย่างนี้ว่าถ้ากล่าวโดยสมมุตินะว่าพ่อแม่ที่อย่างที่เราสมมติก็คืออย่างที่เราพูดนะ ว่าสั่งให้ทําฉันทําตามคําสั่งพ่อเขียนวินัย ร, รมไว้สั่งเสียไว้ท่านตามคําขอลงพูดกันอย่างสมมุติได้แต่อธิบายอย่างปรมัดก็คือพูดอย่างเมื่อกี้แต่ถ้าจะไปกะเกณ์อย่างเป็นปรมัติแล้วไม่มีพ่อไม่มีแม่โดยความเป็นปรมัดใช่มะไม่มีลูกโดยความเป็นปรมัติไม่มีการบังคับกันได้โดยความเป็นปรมัด เพานั้นถ้าเอาโดยความเป็นมรรมแล้วถือว่าผิดมันคำตอบที่สองนี่จึงมีผิดมีถูกคราวนี้เราถามคำถามที่ห้าว่าการทำที่สุดแห่งทุกข์ไม่มีความขาดแห่งวัฏฏะก็ไม่มีความดับรอบอย่างหาเจอไม่ได้ก็ไม่มีแกบุคคลนั้นหรือที่เราถามอย่างนี้นะหมายถึงว่าถ้ามีการสั่งการสร้างกัน จริงๆแล้วเนี่ยนะถ้าจะเอาว่ามีการสั่งการสร้างกันจริงๆแล้วมันไม่มีจุดจบถูกไม่ถูกถามว่าใครเป็นผู้สั่งคนสั่งเป็นผู้สร้างคนสร้างและไอ้คนที่ทําตามคําสั่งก็จะต้องอยู่ในอํานาจบังคับตำรองพระบรมริกิทธิ์ออกนอกเส้นทางไม่ได้ให้ประโยชน์แก่บัจจัยแปลอันอื่นไม่ได้เราก็ไม่เป็นตัวของตัวเองถูกไม่ถูก แต่ละคนจะไม่เป็นตัวของตัวเองแต่ละตนแต่ละตนเนี่ยจะอยู่ในบังคับซึ่งกันและกันไม่มีจุดจบเลยแล้วจะไปนิพพานได้ยังไงไอ้คนหลังจะเข้านิพพานคนต่อมาบอกไม่ได้ไม่ยอมหรือไอ้สองคนหลังๆเกิดจะยอมไอ้คนต่อไปบอกฉันไม่ยอมก็เลยไม่เป็นตัวของตัวเองความพยายามไม่มีผลเพราะเป็นไปตามอํานาจอันตาการบังคับปัญญาหมดแล้ว การดับขันธ์วารณิพานการชำระกิเลสมีไม่ได้นอ่ที่ท่านถามในทันหมายความอย่างนี้พระวาทีเองก็ตอบอย่างในความหมายตรงนี้ว่าเออจริงด้วยแฮะไม่ใช่ตอบว่าไม่ใช่นี่ก็คือว่าถ้ามีการสั่งสร้างกันอย่างนี้ไม่มีจุดจบอย่างนี้แล้วก็ก็ก็ตัดกิเลสเข้านิพานกันไม่ได้ ประวาตีตอบอย่างนี้ตอบปฏิเสธจึงเป็นคำตอบที่ถูกครับอันนี้คาถามที่หกอันนี้เราถามในเชิงเทียบว่าถ้าจะอ้างว่าเพราะกรรมมีวิบากมีจะต้องมีผู้สร้างผู้สเสวยแล้วแลวก็นิพพานมีมหาปัตตพีมีมหาสมุทรมีขุนเขาสิเนล่มีน้าไฟลมยญ้าไม้ไม้จป่าไม้จะป่าไมายถึงไม้ใหญ่ ไม้ยืนต้นไม้ใหญเเ่เขาเรียกไม้เจ้าป่าอย่างสมยัยสมัยก่อนนะเป็นไม้เจ้าป่าเนี่ยก็เราก็เลยเอามาผูกเป็นคําถามว่าเพราะอย่างเห็นว่านิพพานเป็นต้นมีเพราะฉะนั้นจึงอย่างเห็นผู้ทําผู้สร้างนิพพานเป็นต้นหรือประวาทีตอบว่าไม่ใช่เพราะว่ า, าชาวพุทธเราเนี่ยถึงจะคิดว่ามีอัตตาก็ไม่เห็นว่ามีผู้สร้างโลกสร้างธรรมชาติ เราเราไม่รับอันนี้และเพราะไม่รับอย่างนี้แหละาทางฝ่ายพระพุทธศาสนาแท้ๆดั้งเดิมเนี่ยก็บอกว่าอย่าว่าแต่พระเจ้าสร้างโลกเลยไอร้ระบบการสร้างจะสร้างอย่างพระเจ้าสร้างบังคับลิขิตไม่มีก็ไม่มีอัตราเล็กๆเป็นผู้สร้างอย่างเราเองก็ไม่ใช่เป็นเป็นผู้บงับงคับสร้างอะไรตามใจชอบ สเสวยอะไรตามใจชอบมันไม่มีตัวต น, นเป็นแต่เรื่องรูปทำรูปนามทำนามเท่า น, นั้นเองรูปเป็นปัจจัยแก่รูปนามเป็นปัจจัยแก่นามเท่า น, นั้นแหละแล้วกิเลสมันเข้ามาถือครองก็เท่า น, นั้นเองนะมันเหมือนกับว่ามีเครื่องยนต์กลไกอะไรอยู่สักอย่างนะฮะเมียกว่าเครื่องเครื่องผลิตสินค้าผลิตสินค้าเป็นผลผลิต นาเป็นผู้ผลิตข้าวเป็นผลผลิตจากนาและเราเป็นผู้มีกิเลสเข้าไปถือครองวันนี้ของเราเราเป็นผู้ติดเครื่องเป็นผู้ทนานาเป็นผู้ได้ผลผลิตเนี่ยเอาความรู้สึกจากเราเนี่ยเข้าไปคิดว่าเป็นเราเป็นของเราทำนองนี้ อกิเลสตัวนี้ก็ไม่ใช่ตัวตนถึงคิดยังไงยังไงมันก็ไม่เป็นตัวตนอยู่วันหนึ่งคำ่ำมันเป็นแต่ในมโนภาพเท่านั้นเองเราถามในข้อเจ็ดว่ากรรมดีกรรมชั่วเป็นอื่นผู้สร้างกรรมดีกรรมชั่วเป็นอื่นหรือวิบากเป็นอื่นผู้เสวยวิบากเป็นอื่นหรือเป็นต้นเนี่ยนะพระวาตี่ตอบว่าไม่ใช่เพราะในคําว่าเป็นอื่นเนี่ยเป็นคําที่ชักใจชี้ชัดว่าพระพุทธเจ้าทรงปฏิเสธ ว่าอื่นจากกันว่าผู้ทำกรรมไม่ใช่กรรมกรรมเป็นหน่วยข้อเท็จจริงอันหนึ่งผู้ทำกรรมเป็นหน่วยข้อเท็จจริงอันหนึ่งทั้งสองหน่วยต่างเป็นปารมีเนี่ยท่านจะใช้คำว่าอื่นจากกันหรือชีวะเป็นอย่างหนึ่งหรือแปลว่าเป็นอื่นก็ได้ร่างกายเป็นอย่างหนึ่งหรือเป็นอื่นคำพูดเหล่านี้เป็นคำพูดที่เป็นมิจฉาทิฏฐิ ชีวชีะเป็นอื่นก็คือชีวะไม่ใช่สลีละสลีละเป็นของชีวะชีวะเป็นผู้ครองสรีละเป็นเรื่องของสัตตสถาทิฏฐิเพราพูดอย่างนี้ก้าพระวาทีเกิดนึกได้อ๋ออันนี้จะไปกระเทือนคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วที่เกี่ยวกับความเป็นสัตตสตาทิฏฐิปรวาทีจึงตอบว่าเออไม่ใช่คืออย่าใช้คําว่าเป็นอื่นแต่ไอ้เจ ใช้หรือไม่ใช้ถ้าไปพูดโดามีอัตราแล้วมันก็แปลว่าไปเข้าข่ายของคําพูดว่าเป็นนั้นการปฏิเสธอย่างนี้จึงต้องนับว่าถูกครับนี่มาดูต่อไปที่ถามในข้อแปดว่าเพราะท่านอย่างเห็นกรรมดีกรรมชั่วจึงอย่างเห็นผู้สร้างกรรมดีกรรมชั่วผู้สเสวยวิบากกรรมดีกรรมชั่วหรือปราวาทีตอบว่าใช่นะฮะไอ้ตรงนี้ก็คือว่า ถ้าเราพูดว่ากรรมดีกรรมชั่วและผู้ทํากรรมดีกรรมชั่วเนี่ยพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าผู้ทํากรรมดีกรรมชั่วอย่างเป็นสมมุติไม่ได้เอาผู้ทําเป็นจริงแต่เอากรรมว่าเป็นจริงเป็นประมัดนะกรรมดีกรรมชั่วเนี่ยมันไม่ได้พูดอย่างเป็นตนเนี่ยพูดอย่างเป็นกรรมเป็นผลของกรรมก็มีอยู่จริงโดยเป็นประมัแต่ถ้าพูดว่าผู้ทาเนี่ยถ้าพูด อย่างหมายเอาเป็นปรมาทัศน์แล้วผิดครับแต่ถ้าพูดอย่างเป็นสมมุติแล้วก็ถูกไม่ใช่พระพุทธเจ้าไม่ตรัสว่าผูดทำผู้เสเวยแต่พูดอย่างเป็นสมมติถ้าเรียกว่าเป็นสมมติโวหารพระพุทธเจ้าตรัสในฐานะนั้นไม่ตรัสอย่างเป็นปรมัตน์โวหารอย่างพวกวิชาทิฏฐิข้อกล่าวก็ถามว่าบุคคล น, นั้นทําบุคคล น, นั้นเองเสเวยหรือ คำถามนี้นะมาจากพระสูตรนั่นเองครับมาจากพระสูตรคำพูดว่าผู้บุคคลนั้นทำบุคคล น, นั้นเองสเสวยนะหมายถึงอัตตาเป็นตัวยืนเป็นปกติอยู่ตอนทำกรรมอัตตาเป็นผู้ทำกรรมทาแล้วแล้วกันพอผลิผลของกรรมเกิดอัตตาก็อยู่เป็นผู้สเสวยจึงกล่าวว่าอัตตาคนเดียวกันนั่นแหละ เป็นผู้ทาด้วยเป็นผู้เสวยด้วยคำพูดนี้นะ่ะชัดเลยนะพระพุทธเจ้าไม่พูดคำนี้ในความหมายที่เป็นประมาทประวาทีตอบทีแรกอย่างตรงกับที่พุทธเจ้าทรงปฏิเสธก็เป็นการปฏิเสธถูกแล้วนะแต่เกิด ตอบอีกครั้งหนึ่งในลักษณะที่เรียกว่าเอาข้างกระถูหรือดึงความเข้าหาความคิดของตัวเองที่ถือว่ามีตัวตนคือแล้วก็มีพุทพธพจน์บางแห่งพูดเหมือนก็มีตัวตนด้วยฮะอันนี้ก็อย่างที่เราพูดกันนะว่าทําไมบางครั้งตัดว่าอัตตาบางครั้งตัดว่าอนัตตาเนี่ยแล้วเราก็นึกเอ๊ะทำไมขัดกันความจริงไม่ขัดกันอัตตาตัดอย่างเป็นสมุติโวหาร อนัตตาเป็นการปฏิเสธความเป็นอนัตตาที่มีอยู่จริงอัตตาบางครั้งพูดได้แต่เอาก็จริงแล้วพูดไม่ได้เอาก็จริงกลายเป็นอนัตตาดังนั้นที่พระวัทีเขาตอบอีกทีเขาบอกว่าใช่เนี่ยก็คือว่ามีพระสูตรตรัสว่าบุคคลย่อมบันเทิงในโลกนี้ละโลกนี้ไปแล้วย่อมบันเทิงในโลกหน้าคำพูดนี้นตระกษาท่านเก็บมาพูดท่านหมายความว่ า, วา คนที่ทำความดีไว้เนี่ยตอนทําทําในชาตินี้แล้วไปเสวยวิบากในชาติหน้าพุทธพจน์เนี่ยตรัสว่าบุคคลทํากรรมในตอนเป็นมนุษย์ไปเสวยวิบากตอนเป็นเทวดานะจริงแต่บุคคลที่ทรงตรัสไม่ได้หมายถึงอัตตาที่มีอยู่โดยประมันเป็นการพูดโดยสมมตินะคะแต่ ป, ปรารภวาทีถ้าสําคัญว่าเป็นประมัดแล้วก็บอกว่าอย่างนั้นไม่ถูกผิดแล้วอย่าไปเข้าใจอย่างนั้น นั่นแม้คาพูดอื่นๆในข้อหลังๆเนี่ยครับว่าสุขและทุกตนทําเองอันนี้เป็นเนื้อความอีกพระสูตรอีกแข่งหนึ่งคือพระสูตรเวลาท่านพูดถึงเรื่องกรณีทํานองเดียวกันบางแห่งตรัสว่าคนนั้นทําคนนั้นเสวยบางสูตรตรัสว่าสุขทุกตนทําเองเป็นอันเดียวกันนะครับคนนั้นทําก็คือบุอัตตาทํากรรม และอาจตาเป็นผู้สเสวยและอีกอีกบางแห่งประสูตรบางแห่งที่ตรัดว่าสุขและทุกตนทำเองก็คือสุขและทุกเป็นวิบากที่ตนเป็นผู้สเสวยอยู่เนี่ยตนนั่นแหละเป็นผู้ทำไปเองเมื่อถามอย่างในสูตรแรกแล้วปาราวัตีเกิดจะตอบแบ่งรับแบ่งสู้เราก็เลยถามห า, าถามโดยหักเข้ามาหาอีกสูตรหนึ่งเพื่อมาสำทับว่า คำถามตามในของสูตรแรกในข้อเมื่อกี้จริงๆแล้วก็เป็นอันเดียวกับคำถามที่ถามในครั้งนี้มีความหมายเป็นอันเดียวกันปราวาทีตอบปฏิเสธอันนี้ก็ตอบถูกครับเพราะว่าระสูตรนี้เป็นระสูตรปฏิเสธอัตตาเช่นเดียวกันเนี่ยครับโดยแม้โดยในคำถามอื่นๆที่ว่าเป็นบุคคลอื่นก็ตามก็รวมแล้วแต่เป็นเรื่องของอัตตาตัวตนทั้งนั้น ทีนี้พอไปถึงข้อที่สิบสองเนี่ยข้ามไปดูข้อสิบสองที่ถามว่าบุคคล น, นั้นทําก็หาไม่บุคคล น, นั้นเองเสวยก็หาไม่บุคคลอื่นทําก็หาไม่บุคคลอื่นเสวยก็หาไม่อันนี้น่ะเป็นอาทิตจัสมุปปนิกาทิติพวกที่ถือว่าเกิดขึ้นลอยลอยคือพวกที่ถือว่าเกิดขึ้นลอยลอยเนี่ยเขาก็ถือว่ามีบุคคลเหมือนกันนะ คือมีอัตตาแต่ว่าอัตตาเนี่ยเขาเขาปฏิเสธเรื่องกรรมอัตตาของเราน่ะมีอยู่แต่อัตตาเราม่ได้เป็นผู้ทำกรรมกรรมไม่ได้มีผลต่ออัตตาเราอัตตาเราจะเป็นอย่างไรจะสุขจะทุกข์เนี่ยอยู่ที่ความบังเอิญข้อนี้ก็ผิดสองด้านเลยครับผิดกรรมแล้วก็ผิดอัตตาคือ ไอ้ไม่เชื่อกรำรเนี่ยก็ถือเป็นความผิดที่ไม่เชื่อกรำว่ามีนะเชื่อว่าอัตตามีผิดนะนนเรียกว่าเชื่อไม่ถูกความสมควรที่ควรจะเชื่อ<ม>ร拉วาทีตอบสองแบบนะคือทีแรกตอบว่าไม่ใช่อันนี้ก็กลัวผิดจากพระสูตรอย่างที่เราพอรู้แล้วนะแล้วครั้งที่สองตอบว่าใช่ก็เป็นการตอบ โดยประการที่ว่ามนุษย์ทากรรมเช่นใดไว้ก็ได้ต้องเสวยผลกรรมเช่นนั้นก็นองอย่างนี้นะก็อันนี้คล้ายๆกับปัญหาที่ว่ามาในเบื้องตน้นก็แปลว่าถ้าพูดว่ามีอัตตามีตัวมีตนเนี่ยมันไม่ถูกถ้าตอบหมายอย่างนั้นไม่ถูกท่านผู้แต่งต้องการจะบอกเราซึ่งเป็นคนอ่านว่าให้แยกแยะความคิดเลือกส่วนผิดออก แล้วก็ให้คงส่วนถูกเข้าไว้และสุดท้ายก็ถามโดยในทํานองเดียวกันนะว่าสุขและทุกข์อาศัยสภาพมิใจการกระทำของตนเองและของคนอื่นหรืออันนี้ก็คือไปถามโดยการเอาอีกสูตรหนึ่งมาเทียบเพื่อบอกว่าคำถามที่ถามก่อนหน้านี้กับคำถามที่ถามในตอนหลังความจริงก็เป็นอันเดียวกันเอง ท่านจะต้องตอบให้ถูกต้องเหมือนกันทั้งคู่นั่นแหละนี่ก็เป็นเรื่องที่ท่านกล่าวถามตอบไวในพระสูตรในในคำพีคาถาวัตถุนะฮะในมุมหนึ่งที่ได้นำเอามาจากพระสูตรที่เราได้กำลังพูดถึงอยู่ก็เป็นนั้นว่าจากเนื้อความในบทที่เราเอามาว่ากันเนี่ยสรุปได้ว่า พระพุทธศาสนานั้นกล่าวว่ากรรมและผลของกรรมนั้นมีจริงแต่กรรมไม่มีตนธรรมผลของกรรมไม่มีตนเสวยในสมัยพุทธกาลหรือใครก็ตามถ้าเข้าใจว่ากรรมมีวิบากมีจริงโดยปรมาัศน์นั่นถือเป็นความถูกต้องในส่วนนี้ แต่ถ้าเข้าใจว่ามีตนทากรรมเป็นความผิดในส่วนอัตตานะนี้พวกใดที่ไม่ยอมรับว่ากรรมมีด้วยแต่ยอมรับว่าอัตตามีถือว่าผิดทั้งสองส่วนอย่างพวกที่ถือว่าเกิดขึ้นลอยๆเนี่ยเป็นพวกที่ผิดทั้งสองส่วนพระพุทธศาสนานั้นถือว่ากรรมมีจริง แต่อัตตาไม่มีและชาวพุทธจะต้องเชื่ออย่างนี้ควรจะเชื่ออย่างนี้จึงจะเป็นผู้ปลดปล่อยกรรมทำลายสังสา ร, รวัตได้นะีอันนี้นะก็เป็นเป็นเรื่องที่เราเอามาประกอบนะสำหรับคำอธิบายตอนหลังๆที่เป็นคำสรุปความนั้นก็เป็นคำที่ผมสรุปมาเพื่อ ช่วยความเข้าใจตรงนี้เออเพราะฉะนั้นท่านถึงบอกว่าตัวเรื่องตนเรื่องอะไรนี่มันเป็นของสมมุติทั้งนั้นเลยแต่ว่ามันเป็นสิ่งสมมุติที่จําเป็นต้องพูดไม่พูดก็ไม่รู้จะพูดว่ายังไงก็พูดแต่พูดแล้วอย่าไปยึดถืออย่าไปสําคัญมั่นหมายว่าเป็นของเป็นจริงเป็นจังตามนั้นยิ่งคิด เป็นตูเป็นตาก็ยิ่งขยายเรื่องอัตตาตัวตนเไปกันใหญ่โตในในคาถาวัตถุบางจุดเนี่ยท่านถึงพูดว่าอ่าชาวพุทธในสมัยก่อนเนี่ยอธิบายว่าขันเนี่ยไม่ใช่ตัวตนตัวตนก็ไม่ใช่ขันแต่ตัวตนนั้นอาศัยขันเหมือนเงาที่ไม่ใช่ต้นไม้ต้นไม้ก็ไม่ใช่เงา แต่เงาอาศัยต้นไม้เกิดเงาพ่วงติดอยู่กับต้นไม้ขันของเราไม่ใช่ตัวตนก็จริงแต่ตนเนี่ยมันพ่วงติดอยู่กับขันเพราะฉะนั้นแหละเวลาเราปฏิบัติธรรมเนี่ยเราจะต้องปฏิบัติเพื่อละขันก็พลากตนออกไปจากขันนําตนไปสู่นิพพานเนี่ยพูดเหมือนกับลัทธินิครุนไม่มีผิดเลย และทีนิครลนในสมัยพุทธกาลมาพูดอย่างนี้และชาวพุทธเราหลังพุทธกาลก็พูดอย่างนี้อันนี้ที่ผมว่าเนี่ยหลังพุทธกาลผมไม่ได้หมายถึงเดี๋ยวนี้นะอ่าผมหมายถึงในคาถาวัตถุนะพูดถึงก็จะทําให้บุคคลนั้นไปสู่ความหลุดพ้นไม่ได้เพราะติดตนถ้าเมื่อใดยังมีตนแล้วก็บริสุทธิ์ไม่ได้ไปสู่นิพพานไม่ได้ วันนี้ก็พอสมควรเกร่เวลานะครับอย่าลืมว่าวันอาทิตย์หน้าและอีกหนึ่งอาทิตย์ท่านครูประหลัดเฉลียวจากวัดโกโลโกโอําเภออุทัยจังหวัดอุทยยาท่านจะมาแสดงธรรมให้ฟังลึกซึ้งนะฮะแต่ว่าแฝงไว้ด้วยความสนุกสนานในธรรมก็ขอให้มาติดตามฟังท่าน ถ้าท่านฟังฟังแล้วดีผมก็จะนิมนต์ท่านมาเทศตลอดไปเลยนะฮะผมจะเลิกเลย ถ, ถือว่าท่านมาทาหน้าที่ได้ดีก็ท่านก็คงจะมาเป็นคราวๆเรื่อยๆแหละนะแต่ว่าถ้าสมัครจะฟังท่านจริงๆเนี่ยก็จะลองคุยกับท่านดูให้ท่านมาเป็นผู้ยืนพื้นอีกชั่วโมงหนึ่งได้ วันนี้ก็พอสมควรแก่เวลานะครับ